พระธรรมเทศนาแผ่นที่111ดลำดับที่17โดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมเมื่อวันที่สสิงหาคม2560มีชื่อเรื่องว่าสมทบทุนบุญกะถินเจดีวัดป่าบ้านตากหวงพ่อทําเวลาเสียไปนะั้นลูกหลาน หลวงพ่อไปนั่งอยู่ในห้องกุฏิชั้นล่างพอดูนาฬิกาแล้วนาฬิกา<ม>ยังยังไม่ถึงหกโมงครึ่งลงเดินลงมาประมาณสักสี่สี่ห้านาทนะีเดินลงมาจากกุฏิหลวงพอนะ่อมาถึงที่นี่หลวงพ่อกะกะไปพอที่ไหนได้ไปดูนาฬิกานาฬิกาตายไปนาฬิกาหมดฐาน พอมาถึงที่นี่ตายตายตายเจ็ดโมงห้านาทีแล้วนี่วะเอเกินไปสิบห้านาทีแล้วนะวันนี้ก็เลยหลวงพ่อทําเวลาเสียไปสิบห้านาทีนะลูกหลานนะแต่ก็พอดีสําหรับผู้ช้าแล้ววะผู้ได้ช้าๆพอดีกันแต่การผู้ได้เร็วนะี่ยมาคอยนานสักหน่อยวันนี้แล้วก็เนี่ย โยมลูกชายของหลวงตาสีไทยใหม่มานดมนเมื่อกี้นี่บอกว่ามีพระมรณาภาพมีอายุพรรษาส0มสบกว่าเป็นลูกน้องของหลวงปู่จันเรียนท่าสหายเป็นมอมะนะ่ะเมื่อวานน่ยก็หลวงพ่อเลือพูดเรื่องมอมะที่เป็นท่านป่วยอยู่นั่นแหละหลวงพ่อเลืรื่องเรานะ่ะ อันนี้ก็ที่ทำสหายท่านมรณภาพพรรษาสามสิบกว่าว่าเคยพระเคยมาอยู่ที่นี่นะแต่หลวงพ่อจะไม่ได้เพราะมันหลายหลายรุ่นเหลือเกินพระที่มาอยู่กับวัดเราไม่รู้กี่รุ่นกี่องค์แต่นั่นนะวันที่หกวันที่หกสออนะ่อคือเป็นวันอาทิตย์ หลวงพ่อบอกว่าเออถ้าว่าไม่เจ็บไม่ไข้ไม่ป่วยนะคงจะไปเพราะนั้นผู้ใดนะได้ยินเสียงหลวงพ่อเนะี่ยบ่ายโมงไปร่วมงานศพงานพระมรณภาพที่ทำสหายเนี่ยนะเกิดแก่เจ็บตายประมาณหกสิบกว่านะก็คงเป็นนะ่ะเป็นลูกน้องเคยมาอยู่กับหลวงพ่อนะ่คงประมาณนี้หกสิบกว่า เนี่ยละไม่ได้เลือกวันน้อยวานุมนะให้ระมัดระวังเดี๋ยวตั้งอยู่ในความประมาทผู้ใดนะวันอาทิตย์ที่หวันนี้ก็เป็นวันวันศุกร์ที่สแล้วนะวันศุกร์ที่สี่วันเสาร์ที่ห้าอาทิตย์ที่หบายโมงเป็นวันไปชุมเพลิงของท่านนะ และก็วันนี้เป็นวันศุกร์ที่4สิงหาคมพุทธศักราช2560หลวงพ่อเองก็อยากจะเน้นย้ํากล่าวเกี่ยวกับวันเกิดขององค์หลวงตานะเพราะว่าวันที่12สิงหาใกล้เข้ามาแล้ววันนี้ก็เป็นวันที่4วันที่12เป็นวันทำบุญ แก่ร็รวมญาติถึงหลวงตาจะจุตินิรภานไปแล้วแต่คุณงามความดีของหลวงตาอย่างท่มท่วมทนอยู่ในจิตใจของศิษยานุศิษย์ทั้งหลายเพราะว่าแต่ก่อนเก่าสมัยเมื่อหลวงตายัางสงทาาขันอยู่วันที่12มาแล้วก็รู้สึกว่าคึกเคลื้นลูกศิษย์ลูกหากระตือหรือล้นเข้ามากราบมาคารวะ มาถวายจิตุปจัจมาทําบุญกับองค์หลวงตาแต่ถึงหลวงตาจะจุดตินิพพานไปแล้วพวกเราก็ยังมีเกี่ยวกับจะสร้างพิพิธภัณฑ์ธรรมะ JD, เจดียหรือว่าเจดีขององค์หลวงต า, เ, าเดี๋ยวนี้ก็ะเซ็นสัญญากันเมื่อวันที่17เมิถุนาที่ผ่านมาเดี๋ยวนี่ ม, มิถุนา กรกดาสิงหานะเดือน ก, กว่าๆที่ได้เซ็นสัญญาแต่งานก็ดําเนินไปได้เรื่อยๆนะงานของพิพิธภัณฑ์กองหลวงตาแต่ก็ยังแต่พิพิธภัณฑ์ตัวพิพิธภัณฑนะ์ยังไม่ได้เซ็นสัญญานะเซ็นสัญญาแต่พระเจดีกับวิหารสองหลังที่งบ4ี่รเก้าสิบล้าน แต่ส่วนพิพิธภัณฑ์ยังไม่รู้ราคาแต่เขาคงจะไม่ต่ากว่าคิดว่านะหลงพ่อคิดว่าเฉยเฉนะไม่น่าจะต่ากว่า200้ล้านพิพิธภัณฑ์แต่ไม่มีมันเป็นหลังตัดเหมือนกับตัวตึกเนี่ยเหมือนอาคารธรรมดาไม่ได้เน้นอาคารนะไม่ได้เน้นความสวยงามของอาคารแต่จะเน้นเรื่องคุณภาพ ในพิพิธภัณฑ์อาจจะเป็นมีรูปเหมือนหรือว่ารูปภาพหรือว่าแผนป้ายหรือว่าธรรมเทศนาขององค์หลวงตาอยู่ในพิพิธภัณฑ์นี้แต่นี้ยังไม่ได้เซ็นสัญญาเพราะนั้นถ้าเราถ้าพวกเราไปเห็นพวกเราจะเห็นตัดเสาเข็มแต่ช่วงช่วงพระเจดีย์กับพระวิหาร ส่วนพิพิธภัณฑ์นั้นคงจะยังไม่ตัดเสาเข็มที่หัวโผขึ้นมานะอันนั้นแปลว่ายัางยังไม่ได้เซ็นสัญญาผูรับจ้างเขายัางไม่ได้ทําอะไรจุดนั้นฮะแต่ทันนี้การที่วันที่12เนี่ยเราจะมีอะไรคนณะกรรมการของเขาไม่ใช่หลวงพอ่อเป็นกรรมการหนะลวงพอ่อเพียงแต่ได้ยินมา จากคณะกรรมการของเขาเขาประชุมหาหรือกันทั้งจังหวัดทั้งผู้ว่าทั้งคณะกรรมการดำเนินงานของเขาทั้งบริษัทควบคุมงานทั้งบริษัทกำลังดาเนินงานอยู่ในขณะนี้เขาประชุมหาหรือกันเขาก็บอกว่าวันที่12จะมีพิธีธกรรม พ, พิธีการอะไรเขาบอกเดี๋ยวนี้เขากำลังขุดเดินลงไปในตรงบริเวณพระเจดี บริเวณกว้างพอสมควรจากนั้นเขาก็เทฐานเทลีนเทลีทนไว้ก่อนพอเทเทลีนเสร็จเรียบร้อยแล้วก็คงจะต่อไปเ็าคงจะเทฐานพระเจดีเดนกำลังเทลีนแต่วันที่สิบสองนี่ยนะจะมีการเทฐานเสาเอกนะเมื่อเทฐานเสาเอกก็ปีน้องประชาชนศรัทธาญาโยมพระก็อยู่วงนอกนี่แหละต่อได้สายศีลเข้าไป ข้างในจากนั้นพระ ส, สงฆ์กับศรัทธาญาติโยมก็คงจะสวดอิติปิโสพร้อมกันนะอิติปิโสพระกวารัางซ้ำมาเพื่อบูชาพระคุณขององค์หลวงตาเพราะว่าหลวงตาเนี่ยเป็นสุปฏิปโนดเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอุโชยยะสามิจิเป็นพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นเราจึงสวดอิติปิโสบูชาพระคุณก็องคหลวงตา บูชาทั้งพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ด้วยสวดกระหึ่มพร้อมกันมีการสวดสามครั้งนะนะคณะจต่าญาติโยมนะสวดครั้งที่หนึ่งก็คือตอกเสาเข็มเสาแรกเนะี่ยตอกเสาเข็มเสาแหลกปั้งพวกเราก็สวดอิติปิโสรพร้อมกันพอครั้งที่สองเนี่ยเป็นวันวันที่เซ็นสัญญาเซ็นสัญญาเราก็เทเสาเสาทางขึ้นบันไดพระเจดีย์ เราก็สวดอิติปิโส ร, รอบหนึ่งพอเป็นวันที่เซ็นสัญญาวันที่17มิถุนาแต่วันที่12สิงหาเนี่ยเราจะเทฐานพระเจดีเสากลางแล้วก็พร้อมสิทธิอนุสิทธิทามาพร้อมกันก็ไม่รู้จะ ก, กิจกรรมอะไรต้องจัดทำกิจกรรมขึ้นมาแล้วก็พร้อมกันก็จะมีการเซ็นแผนทองเซ็นแผนทองคณะกรรมาการเขาทราบว่า คณะกรรมการเขานะไม่ใช่ความคิดหลวงพ่อนะเป็นคณะกรรมการเขาตัดแผนทองขนาดเท่าบัตรประชาชนนี่แหละ้ามื่นแผน่นผู้ที่ไปนี่ก็นี่แหละผู้ที่บริจาคหรือยังไม่บริจาค ก, ก็ได้แล้วก็ไปเซ็นชื่อนามสกุลของตนเองพอเสร็จแล้วก็จะจัดเป็ น, นแผนแกแผนก ไหพระเนี่ยเขาก็จะจัดไว้กล่องหนึงพี่น้องประชาชนศรัทธาญาติโยมหรือเป็นข้าราชการผู้ใหญ่เขาจะจัดไว้กล่องหนึ่งเป็นก่ะกล่องใส่กล่องสแตนเลสจากนั้นเขาจะเอาฝังไว้ฐานพระเจดียัให้เป็นมีชื่อเสียงไว้ในพระเจดีเพราะว่าลูกศิษย์ลูกหาที่รักเคารพในองค์หลวงตาห ล, ล่อหลอมเป็นน้ําหนึ่งใจเดียว เพื่อบูชาพระคุณองค์หลวงตาเหมือนกับเหมือนเหมือนว่าเรามีชื่อไว้ในพระเจดีย์ปนมมืออยู่ข้างใต้ฐานพระเจดีย์พระเจดีย์เป็นพระอรหันต์เป็นพระสาวกของพระพุทธเจ้าเป็นผู้หมดจดจากกิเลสเราถืออย่างนั้นเราไม่ใช่ว่าเอาชื่อไปไว้เพื่อจะเป็นเปรตเป็นผีเฝ้าพระเจดีย์ไม่ใช่นะเราค่อยๆว่าน้อมจิตลำลึกถึงพระคุณขององค์หลวงตา พระคุณหลวงตาในเนลิดล้ำเหลือคณาที่เป็นผู้มีคุณพรกประโยชน์ต่อประเทศชาติต่อพระพุทธศาสนาเป็นการแสดงธรรมเทศนาไม่รู้เท่าไหร่พวกเราได้รับหูแจ้งตาสว่างจากพระธรรมเทศนาของหลวงตานี่ยมีมากต่อมากเพราะนั้นพวกเราในฐานะศิษยานุศิษย์ลูกหลานเหลนทั้งหลายน้อมรำลึกถึงพระคุณหลวงตาเอาชื่อฝากฝังไว้ในฐานพระเจดีย์ขององค์หลวงตาเนี่ย น่ละวันที่12สิงหานะจะมีการเซ็นชื่อแล้วก็ใส่กล่องคณะกรรมการเขาจัดไปแล้วอันนี้เป็นคณะกรรมการเขาจัดนะหลวงพ่อก็ไม่คัดข้องเอ่อหลวงพ่อก็เอือก็เป็นดีเป็นการเอ่อเป็นหลอหลอมน้ำใจให้เป็นหนึ่งเดียวเพื่อสร้างพิพิธภัณฑ์ธรรมเจติดีขององค์หลวงตาแล้วก็พร้อมกันวันที่12สสิงหาเนะี่ยจะมีการประกาศ ประกาศเพื่อจะซ่าเพื่อหาทุนแต่เพื่อหาทุ น, แ ต, น, ทนแต่พวกเราคณะสธาญาติโยมลูกหลานทุกคนน ะ, ะเตรียมเตรียมเอาไว้เพราะว่าประกาศวันที่สิสิงหานะจะมีการรวบรว ม, รวมกระถินสามัคคีปี60เพราะว่ากระถินปีนี้วัดป่าบ้านตาดไม่มีใครจองไม่มีเจ้าภาพคณะนะกรรมการก็เลย ทำเป็นลักษณะเช่นนี้ก็เป็นการโชคดีสําหรับสิทธิ์ญาณุสิทธิ์ถ้าว่าเป็นผู้ใหญ่มาจองเราก็คงจะเกรงใจแต่นี่ยังไม่มีใครจองเอาเถอะพวกเราเป็นกองทัพมดที่เป็นสิทธิญาณุสิทธิ์ของหลวงตาเนี่ยควรจะรอหล่อล้ อ, อมน้ำให้เป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันเพราะว่าเรากําลังสร้างพิพิธภัณฑ์อยู่แล้วสร้างพระเจดีย์อยู่แล้วการสร้างพระเจดีย์ก็อย่างที่พวกเราท่านทั้งหลาย ได้รู้ได้เห็นว่าพระเจดีของหลวงตาเนะ่ทั้งพระวิหารนะ4 9่รล้านแต่จตุปัจจัยที่เขาหยอ่อนหย่อนตู้ก่อนหน้านี้นะทั้งหมดนะที่ประกาศวันประกาศเมื่อวันเซ็นสัญญานะวันนั้นนะวันที่1ิบมิถุนานะท่านรองผู้ว่า เป็นใหญวัยาวัจกรของโลวงวัดป่าบ้านตาดอดีตผู้วาอดีตรองผู้ว่าท่านประกาศในวันนั้นน่ะเราจะเปิดในเฟ e บุ o k ฟังก็ยังได้อีกทั้งหมดได้เงิน537้สามล้านกัรประกาศในวันนั้นนะแต่มาถึงณวันนี้นเราก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ก็คงจะใช้จ่ายพ่องไปได้ละ พอเราจ่ายไปหลายงวดแล้วนะแต่ที่ยังไงเราก็ต้องรักษายอดไว้อยู่เพิ่มยอดเท่าไหร่ก็ต้องเพิ่มชวนจ่ายไปก็คือจ่ายไปรายรับรายจ่ายนะอันนี้ก็เมื่อเราเซ็นสัญญาว่าจะจ้าง490ล้านทนะีนี้ก็เงินทั้งหมด537ล้านนะพวกเราก็บวกลบคูณหารดูหารดูสิลบดูสิ อย่างเหลือเงินเท่าไหร่ก็ประมาณจัก 4- ี่เลิกสี่กว่าล้านเกือบห้บล้านนะตอนนี้พิพิธภัณฑ์ยังไม่ได้เซ็นสัญญานะยังไม่ได้มียังไม่มีเซ็นสัญญาตัวนี้มันยังขาดตกอยู่นะทศายาโยมลูกหลานทุกคนคือพิพิธพิพิธภัณฑ์พิพิธภัณฑ์คืออะไรมันไม่จะไม่ซ้าซ้อนกับของหลวงปู่ลีนะจ๊ายของหลวงปู่ลีท่านมีแต่พิพิธภัณฑ์อัถบริขาร ขององค์หลวงตาแต่นี้พิพิธภัณฑ์ที่เราจะสร้างเนี่ยเป็นพระธรรมคําสอนจะทําให้ใหญ่ทำํำถึงแปดท่องนะหลวงตาเกิดที่ไหนหลวงตาไปศึกษาธรรมะที่ไหนหลวงตาไปอยู่กับหลวงปู่มั่นกี่ปีหลวงตาได้ศึกษาธรรมะจากองค์หลวงปู่มั่นอย่างไรหลวงตาได้ธรรมะจากหลวงปู่มั่นแล้วนํามาประพฤติปฏิบัติจนได้สําเร็จมรรคผลที่วัดดอยธรรมเจดี จากนั้นท่านก็มั่นใจจากนั้นก็ได้มาเป็นอาจารย์ทมเป็นสแสดงธรรมเทศนาโปรดพระฝรังพระไทยจัตาญาตาโจมที่วัดปา่าบ้านตาดจนจากนั้นก็ได้ช่วยหาทองคําเข้าคลังหลวงอันนี้คือประวัติของหลวงตาเป็นประวัติที่เสร็จสวยงดงามเพราะหลวงตาทำคุณอุปการให้กับประเทศชาติบ้านเมืองมาโดยลาดับ นี่แหละอันนี้คือเราจะทําเป็นแผนป้ายเป็นภาษาอังกฤษภาษาจีนภาษาไทยจะสมภาษาพอเดี๋ยวนี้จีนกําลังทะลักเข้ามาเมืองไทยมากจะให้พวกเขาได้ศึกษาและภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากลอยู่แล้วแต่ภาษาไทย เ, ยเราก็มีนี่แหละในพิพิธภัณฑ์นี้เราจะเน้นหนักทั้งสมภาษาเรื่องประวัติขององค์หลวงตาคุณธรรมของหลวงตา ธรรมเทศนาของหลวงตาเนี่นะคือว่าพิพิธภัณฑ์จุดนี้นะแต่เลยจิตปัจจัยก็อย่างที่ว่าน ะ, ะนี่แหละเราจะเน้นหนักเมื่อวันที่วันกฐถินปีนี้แหละเพราะนั้นผู้ใดได้ยินเสียงหลวงพ่อน ะ, อะที่จะทำบุญน ะ, ะควรจะโอนโอนเข้ามาบัญชีเลยนะไม่ต้องหย่อนตู้นะถ้ามีเงินเป็นเงินมากนะถ้าเป็นเงินมากาควรจะ โอนเข้าบัญชีของวัดป่าบ้านตาดเลยเป็นบัญชีของวัดป่าบ้านตาดบัญชีนี่นะกระถินปี 2,560 วันที่เจตุลาคมวันที่เจตุลาคมเป็นวันทอดกระถินนะวัดป่าบ้านตาดเป็นกระถินสามกีเพื่อสร้างพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์ผู้ที่จะถวายสร้างพิพิธภัณฑ์ ต้องโอนต้องโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์สาขาถนนทหารจังหวัดอุดรธานีเลขที่เลขที่บัญชี721 238 188-8 นขีด บ, บัญชีออมทรัพยนะ์ฟังให้พูดให้อีกรอบหนึ่งก็ได้นะกระถินสามกี ปี2560วันที่7ตุลาคมพุทธศักราช2560วัดป่าบ้านตาดเป็นกระถินสา ม, มัคคีเพื่อสร้างพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีผู้ที่จะถวายสร้างพิพิธภัณฑ์ต้องโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์สาขาถนนทหารจังหวดัดอุรธานีเลขที่ เรียกที่บัญชี7 2 1หนึ่งขีด2อ8ส 8, 8, ขีด8บัญชีออมทรัพย์นะอันนี้จะเข้าไปตรงเลยนี่ไม่เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเอี่ยวเอี่ยวไปเอี่ยวมานะถ้าว่าไปที่อื่นอาจจะวกไปวอมาเพราะมันงอซ้ายงอขาว่าองอเงินเอองอเงินตัวนี้นะงอตัวนี้นะมันอาจจะไม่ตรงนะ พนันทาบอกผู้ใดอยากจะให้ตรงเลยโอนตามบัญชีที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวนี่แหล ะ, ะจากนั้นก็เงินจะสงบนิ่งอยู่ในบัญชีเพื่อจะสร้างพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์ขององค์หลวงตาถ้าวัทธาญาติโยมผู้ใดมีโอกาสมีเวลาก็ควรจะไปเซ็นส่วนแผนทองคงจะไม่เอาไปที่ไหนนะก็ไปวันนั้นะคงจะแจกแจกแจกเสร็จแล้วก็คงจะ เส็นสลักชื่อควรผู้ที่จะทำบุญถ้าผู้ที่จะทำบุญถ้าเป็นเงินก้อนใหญ่นะควรจะโอนเข้าดีกว่านะหลวงพ่อว่านะจะโอนเข้าดีกว่าที่จะไปย่อนตู้ใดตู้หนึ่งไม่ว่าวัดไหนละ่ะถ้าหย่อนวัดมาวัดหลวงพ่อเนี่ยก็ควรจะโอนไปดีกว่านะหลวงพ่อเพื่อจะให้พี่น้องประชาชนศรัทธาญาติโยมเว้นเสียแต่หลวง ผู้ได้จะสมทบกับหลวงพ่อเออเอออันนั้นว่ากันอีกแนวหนึง่งสมทบหลวงพ่อยังไงหลวงพ่อนี่นะออที่ประกาศออกไปแล้วว่าหลวงพ่อนี่จะรับในการสร้างพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์ขององค์หลวงตาเนี่ยห้าสิบล้านบาทเนียพวกเรา <c oughs> คงจะได้ยินมาโดยสม่ำเสมอแต่นี้หลวงพ่อคนนี้แนะแต่คราวนีนะ้กระถินคราวนี้คนะณะกรรมการเขาก็บอกว่า จะให้หลวงพ่อจะรับเท่าไหร่หลวงพ่อว่าเออถ้าเป็นไปได้นะแต่หลวงพ่อจะดูดูกระเป๋าดูสก่อร์แต่ก่อนหน้านี้เนี่ยหลวงพ่อก็ถวายไปแล้วนะสองล้านหลวงพ่อยังเป็นนี่คําพูดตนเองอยู่48ล้า น, นแต่เอาเถอะข่าวนี่หลวงพ่อจะพยายาม คํากระเป๋ากระเป๋าซ้ายกระเป๋าขวาดูแต่คงจะไปลงทีเดียวนะคงจะทถ้ายอยลงครบางทีอาจจะลงสักล้านหนึ่งก่อนแต่จุดมุ่งหมายของหลวงพ่อเนี่ยจะพยายามจะให้ได้พันกองพันกองกองละสามพันกองละสามพันนะลูกหลานนะกฐินแปดหม่นสี่พันกองกองละสามพัน หลวงพ่อจะพยายามให้ได้สักหนึ่ง่านกองแต่ว่าจะโอนเข้าไปเป็นละลอกละลอกจะให้ก่อนวันที่เจ็ดตุลาแนตะ่อันดับแรกหลวงพ่อคิดว่านเนี่ยนะผู้ใดจะเอามาร่วมสมทบกบหลวงพ่อหลวงพ่อก็ยินดีนะสำหรับกะถินนี้นะถาวรหลวงพ่อถวายไปสามล้านนะ ก็เป็นอันว่าหลวงพ่อปอดนี้คคำพูดไปห้าล้านนะยังเหลืออยู่สี่สิบห้าล้านนะเนี่ยลูกหลานจำไว้นะเนี่ยแหละอันนี้ก็คือหลวงพ่อเนี่ยใจใหญ่พูดแล้วมองมองดูแล้วเพื่อสร้างเจดีย์พิพิธภัณฑ์ของหลวงตาเนี่ยเราไม่ไม่ได้คิดว่าเป็นอย่างอื่นพราะหลวงตาเป็นผู้มีคุณอุปการต่อโดยเฉพาะอย่างยิงย่งต่อวัดของเรา กำแพงยาวเหยียดยอ่านโดยที่ทิ้งหน้าวัดใครเป็นคนสร้างองค์หลวงตาเป็นผู้ให้ทุนมานและกหลายอย่างภายในวัดสาโนงสาน้ำอะไรหลวงตาให้ทุนมาโดยที่เป็นนามมารมกับหลวงตาแนะนำสั่งสอนบอกกล่าวเข้าสู่จิตใจของหลวงพ่อคือธรรมะอันนั้นหาคุณค่าหาประมาณไม่ได้ที่พวกเราท่านทั้งหลายที่มาหาวัดหลวงพ่อเนี่ยเพราะเนี่ย หลวงพ่อได้รับอัดรับธรรมไล้ทับทำคำสอนจากองค์หลวงตาหลวงปูล่ลาที่ได้มาบิดกล่าวให้กับพวกเราท่านทั้งหลายนี่แหละอันนี้คือคุณอุปการของหลวงตาหาประมาณไม่ได้จะเทียบเป็นตัวเงินเป็นเงินเป็นทองออกมาไม่ได้ตัวนี้กว่าคุณค่าหาประมาณไม่ได้คุณธรรมของหลวงตาจุดนี้เนพะราะฉะนั้นหลวงพ่อเองมองได้หลายมุม จึงได้ทุ่มบูชาพระคุณหลวงตาในที่จะสร้างเจดีย์พิพิธภัณฑ์เพราะ mm. น, นั้นขอให้พวกเราคณะสัตยาธิโจมที่เป็นลูกหลานศัทธาญาติโยมของหลวงพ่อนีฮะหลวงพ่อมีความเห็นอย่างนี้นะจึงได้บอกกล่าวให้กับพวกเราท่านทั้งหลายได้ยินได้ฟังแล้วกัพวกเราผู้มีศรัทธาก็อเออพวกเราจ่ายไปอย่างอื่นเราก็เคยจ่ายเอาคนละกองสองกองขนาด ลูกมีกี่คนเอาคนละกองละกองก็ได้หรือจะไม่ทําเสฉยๆก็ได้ก็ได้ทั้งหมดนั่นแหละแต่หลวงพ่อเนี่ยตั้งใจอย่างนั้นนะลูกหลานนะตั้งใจอย่างที่ลูกพ่อได้พูดได้กล่าวให้ฟังนี่แหละเนี่ยแล้ววันที่12บสงเนี่ยหลวงพ่อเขาคงจะเข้าไปบัานตากคงจะไปประกาศเรื่องกรถินสามัคคีนะแต่ว่าทางบ้านตากเขาคงจะมีภาพป่าตามปกติ ทุกปีก็ต้องมีภาพป่ า, เ, าเพื่อใช้ในวัดเพื่อใช้ใ น, ในสถานีนวิทยุนะแต่ละ่ะของเราเนี่ยเราเน้นเรื่องพระเจดีย์เพราะฉนั้นหลวงพ่อจึงบอกให้โอนเข้าพระเจดีย์ถ้าว่าผู้ใดอยากจะสร้างพระเจดีย์นะให้โอนเข้าบัญชีพระเจดีย์เท่านั้นนะถ้าว่าไปที่อื่นอาจจะทะลักไปที่อื่นก็ได้แต่ก็ไม่เสียหายหรอกแต่ถ้ามันเกินไปแล้วหลวงพอ่อจะไปคิดว่ามันจะเกินนะ ถ้มันเกินไปมุกกรดีเนี่ยเพราะเหตุไรเมื่อเกินไปเราก็จะตั้งเป็นมูลนิธิดูแลพระพิหารดูแลพระเจดีย์ดูแลพระพิหารดูดูแลไปพิพิธภัณฑ์เอาดอกผลมาใช้มันดีทั้งนั้นแหะมันไม่รั่วไหลไปที่ไหนนี่แหละคณะกรรมการเขาคิดอย่างนั้นเนอคณะสัทา ย, ยาญาติโยมลูกหลานทุกคนนะแต่หลวงพ่อเนี่ยมีแต่สดับสนุนเท่านั้นละ่ะ แต่บัญชีนี่ก็เป็นบัญชีวัดป่าบ้านตาดเป็นหลวงพ่อสุดใจกับคณ ะ, ะกรรมการผู้จัดงานผู้จัดสร้างพิพิธภัณฑ์บริษัทกับบริษัทสอุบุณเมล็ดเข้ามาทํางานไปรู้สึกออกไปได้เรื่อยๆอบริษัทใหญ่แล้วก็ บ, บริษัทคุมงานเองบริษัทชะต้นเห็นเป็นบริษัทที่คุมควบคุมงานแปรว่าตาจ้องพวกเราก็มีแต่ถาม ไทยถามทีนเะพอเราจ้างเขาแล้วเนี่ยเขาก็เป็นผู้ควบคุมงานรายงานให้พวกเราเป็นเจ้าของงานให้ได้รับผู้รับทราบแต่หลวงพ่อก็อยู่ห่างไกลนะเพียงแต่วันไหนช่วงไหนว่างๆเออถามไทยไปเขาก็รายงานรายงานมาทุกวนันมันลายลายมามันลายมาได้แต่ไม่ใช่ลายมาหลวงพอ่อหลวงพ่อเล่นไม่เป็นเราลายลายแร่ๆหนะ่อยแต่เขาพระเขา แจ้งข่าวมาหลวงพ่อก็ถามไทยนี่แหละอันนี้ก็คือเรื่องวันนี้เลยพูดในรายละเอียดให้กับคณะทายาติญญโยมลูกหลานทุกคนที่เป็นสิท์ยาวนุสิตและเป็นที่รู้จักมักคุก้นกับหลวงพ่อนะจะได้แจ้งข่าวต่อๆกันไปวันที่สิบสองสิงหาเนะ้าวาผู้ใดจะมาสลักแผ่นทองออมาร่วมกัน ที่วัดป่าบ้านตาดแต่ผู้ที่จะถวายสร้างพิพิธภัณฑ์เจดีพิพิธภัณฑ์ก็อย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวโอนเข้ามาเลยถึงจะมากหรือน้อยแต่ให้เก็บสลิปเอาไว้ถ้าพวกเราอยากจะได้ใบอนุโมธนาบัตรจากนั้นก็ส่งเข้าไปที่วัดป่าบ้านตาดให้ทางวัดป่าบ้านตาดเขาก็จะออกอบ ใ, ใ, บใบอนุโมธนาบัตรให้ตามใบสลิปที่ใบโอนเข้าไปนั่นแหละนี่แหละเขาก็เตรียมพร้อมไว้โย เพราะนั้นขอให้ศรัทธาญาโจมที่บวงนอกนะที่บวงนอกที่ได้ยินเสียงหลวงพ่อตามเฟสตามยนะูทุบเนี่แหละก็ให้ได้รับรู้รับทราบตามนี้แล้วก็บอกต่อกบอกต่อต่อกันไปด้วยนะออบอกต่อต่อเพื่อหาบริวารสมบัตินะท่านบอกว่าถ้าว่าผู้ใดขี้เกียจยุ่งกับคู่คนมีอะไรก็ควักกระเป๋าทําบุญไปเลย ท่านว่าได้แต่สมบัติของตนเองในพบเกิดมาในพบภูมนนินั้นไม่ได้บริวารถ้าว่าผู้ใดได้ยินแล้วไม่ทำบุญแต่บอกแต่คนอื่นให้ทำบุญก็ได้แต่บริวาร จ, จะหาเงินเลี้ยงบริวารก็ยากทีนี้เพราะอะไรเพราะตัวเองจนฮบริวารมากครับเป็นยังไงเลยเลูกน้องลูกก็มากหลานก็มาก บริวารก็มากแต่ตนเองยากจนมันก็ไม่สมบูรณ์เหมือนกันนะแต่ถ้าว่าเรามีแต่สมบัติโอ้โหมากมายลูกน้องบริวารใช้ไม่ได้เลยไปคนละทิศคนละทางจะพึ่งพาอาศัยใครใครก็ไม่ได้ไม่รู้จะเอาฝากไว้ยังไงไม่รู้จะบริหารทุนทรัพย์เงินของตนเองอย่างไรเพราะตัวเองมี ม, มีเงินมีทองมากแต่ไม่มีบริวาร บริวารไม่ดีมันก็ไม่ดีอีกเหมือนกันเพราะนั่นก่อนที่จะทําบุญเราก็ควรจะให้ลูกน้องบริวารอนุโมทนาสาธุเนอะอย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าววันในหลวงพ่อจะได้โอนเงินเข้าวันญช่างพจะดีหลวงพ่อก็จะประกาศอีกนะอจะทัดทาญาติโยมลูกหลานเนอะให้พวกเราอนุโมทนาแต่ไม่ใช่มาเป็นบริวารของหลวงพ่อนะอ เพราะคนเราถ้าเกิดมาโดดเด่นไม่เป็นลูกของใครพวกเราเคยเห็นไหมเกิดมาโดดเด่นไม่ไม่เป็นลูกของใค ร, เ, them, iy, เ, ใครเคยมีหมมัน ไ, ไม่เคยมีมเมื่อเราเกิดมาเป็นลูกเขาเนี่ยกับพ่อแม่เน่เป็นเจ้านายของเราเราก็เป็นลูกน้องของท่านเราก็ได้เจ้านายดีต่อมาอีเากเราก็ได้มาอีกเราก็ได้ลูกดีอีก หลานดีอีกเลนดีอีกคนลูกน้องบริวารที่มาร่วมงานก็นดีอีกมิธึงคนดีเพราะอะไรเพราะบริวารสมบัตินะเพราะเราทำบุญไว้ดีนะเพราะนั้นเรื่องการบอกกล่าวนะมันเป็นผลดีนะลูกหลานนะเป็นบุญกุศลแต่จะไปบอกไปในทางที่ชั่วนะถ้าเป็นบอกไปทางที่ชั่วนะี่จิบหายนะลูกหลานนะแบบแบบแบบบาปกรรม บอกเอเอกูได้ไปซื้อสะปาไว้แล้วเว้ยไปไปจะไปไปตกแขไปตกปลากับกูไปประกาศไปไปก็ไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไปฆ่าปลานั่นแหละอั น, น, นพาชักชวนหมู่ไปทำบาปนะตัวเองก็เป็นบาปหนักขึ้นอีกอแล้วก็ลูกน้องกับบาปเพิ่มมาให้เจ้านายอีก เ, อเพราะตัวเองเป็นเจ้าของใช่ไมล่ะ นี่แหละอันนี้เราก็ต้องคิดอันนี้เราเมื่อเราทําบุญเมื่อเราทําบุญเราก็ต้องบอกเขาเมื่อเราทําบุญบุญกระทวีคูณเข้ามาหาเราอีกเหมือนกันนี่แหละได้สมบัติของตนเองโดยด้ว ย, วยบริวารสมบัติด้วยนะถ้าเราบอกกล่าวให้กับคู่คนทั้งหลายที่เป็นพักพวกหมู่เพื่อนกันนะแต่จะไปบอกคนที่ไม่มีศรัทธาเนอะล่ะถ้าไม่มีคนไม่มีศรัทธาละเขาทํา เขาด่ากลับคืนมาเลยตัวเองจะเสียความรู้สึกอีกทั้งเพราะนั้นเราไม่รู้จักกาลเทศะการจะฐานที่บุคคลบุคคลเช่นไรเราควรจะพูดบุคคลเช่นไรเราไม่ควรจะพูดให้ฟังมันก็ต้องมีอีกเหมือนกันถ้าเราใช้ปัญญานะแต่เ้าถ้าเราใช้ความโง่โงเซ่อเซก็อย่างว่านะเวลาเขาตอบกลับมานีจกหน้าบูดหน้าเบี้ยวทั้งที่จิตใจจะเป็นกุศลกับเป็นอกุศลอีกต่างหาก เพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆคนนะนี่เรอสมบัติตนสมบัติบริวารสมบัตินะต่แบางคนมีได้บอกคนอื่นทำบุญตัวเองไม่ทำเหมือนกับเศรษฐีมีกับเศรษฐีขีธนะีที่หลวงพ่อได้พูดให้ฟังนะที่เป็นปุโรหิตตายจานนะไปเห็นพระประเจกพุทธเจ้าบิณฑบาตในกลางตลาดพระปเจกพุทธเจ้าบิณฑบาตท่านออกจากนิโรธสมาบาัติ เขาบอกเอาใส่บาตใส่บาตรเพราะปฏิเจกนะใส่บาตรเพระประเจกนะตัวเองไม่ใส่เฉ ย, อยพอประเจกพุทธเจ้าเนะี่ยกินแล้วไปหาตีพุงอยู่ในป่านะี่ไม่เกิดไม่ได้ทําประโยชน์ให้กับประเทศชาติอะไรเลยส ม, มณะส ม, มณะหัวลดส ม, มณะผ้าเหลืองนะไม่ได้ทําคุณประโยชน์อะไรเพราะตัวเองเป็นปุลุหิตตายจานใช่ไมอมเป็นองค์ขมามรีไนงะ จากนั้นพอตัวเองกินข้าวเสร็จแล้วก็เข้าไปในเฟียงวังนั่นแหละอันนี้สงบอกประกาศให้คนทําบุญเท่านั้นแหละ เ, เกิดมาพบใดชาติไหนรวยตลอดทนีอ่องรวยรวยเงินแต่กินไม่ได้ใช้ไม่ได้เพราอมันไม่ใช่สมบัติของตนเองจะกินบาทหนึ่งสตางค์หนึ่งก็ไม่ได้แพลงหวงไปกินมันทําไมากินอย่างอื่นก็ได้นะเวลากินกินข้าวหักนะ ไอ้ทั้งที่ข้าวตัวเองมีเยอะแยะกินข้าวหักแล้วก็มาต้มใส่น้ําต้มน้ําส้มพักกลุ่มนะใครว่ากินส้มพักกลุ่มมันอร่อยไหมต้มใส่ต้าส้มพักกลุ่มกินเท่านี้ก็พอแล้วก็ใช้ล่มขาดขาดผ้าขาดขาดรองเท้าขาดขาดที่มันชํารุดแล้วนะ่ะเอามาใช้ของดีขายเก็บเงินไว้เก็บไม่รู้จะเก็บไปทไําไงเนี่นแหละใช้ไม่ได้เพราะอะไรเพราะไม่ใช่ชุมบัติของตนเอง จากนั้นเศรษฐีขี้ทีไปนั้นก็นตายเป็นเหมือนกันนะมีเงินทั้ง80ดโกดโกดนั่นก็สิล้านใช่ไหมลนะ่ะพอตายไปแล้วพระยาประเสินประกาศอีกใครเป็นทายาทเศรษฐีเพราะไม่ให้มีใครเป็นทายาทแต่คนขี้ทีเนะี่ยตัดญาติขาดเมิดหมดเลยไม่มีไม่มีใครมีเป็นพินัยกรรมในทรัพย์สมบัติของตนเองเลยโนะผลในสุดตายไปแล้วหายญาติไม่ได้พระยาประสเสินที่โกรธศนก็นเลยไปขน เอาเกวียนไปขนทรัพย์สมบัติของเศรษฐนะีนีเ่เจวันพระเจ้าประเสนจุดไม่ได้ไปวัดไม่ได้ไปกาป ร, ราบพระพุทธเจ้าเพราะขนเงินขนทองเข้าท้องพระครังหลวงพอได้เจวันพระเจ้าประเสนไปกาป ร, ร า, าบาพระพุทธเจ้าตอนบ่ายพระพุธองค์บอกว่ามหาบพิษทาไมไม่เห็นทั้งนมนานนะหลายวันโอ้ยข้าพระองค์ไปขนเงิน ของเศรษฐีมาไว้ในคลอกท้องประคังเพราะเศรษฐีตายแล้วไม่มีญาติไม่มีลูกมีล้านไม่มีใครทั้งหมดไม่มีพี่นยกรรมกับใครเลยก็เลยโขนเงินเข้ามาท้องประคังถึงเจดวันพระเจา้าค่ะเกวียนทั้งห้าร้อยเล่มพระองค์ก็เลยเล่าให้ฟังว่าเนี่ยสาเหตุที่เขารวยเพราะอะไรแต่ชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของเขาแล้วนะบุญกุศลของเขาหมดแล้วในชาตินี้แหละต่อไปนี่กัแปลว่าหมดถุนนะจับแล้ว อันในสงที่บอกประกาศให้ทาบุญใส่บาทพระประเจกพุทธเจ้าเนะี่ยส่งถึงเจ็ดชาตินะเพราะชาติที่แปดนั่นก็หมดละหมดสภาพแล้วตัวเองก็ไม่ได้ทำบุญต่ออีกเนะพราะเสียดาย น, ะนี่แหละให้พวกเราท่านทั้งหลายฟังเอาไว้นะนี่แหละการทาบุญมันติดพบติดชาตินะคณะทศไทยญาติโยมพระเนลูกหลานทุกคนนะอันในหลวงพ่อพูดมาในพระไตรปิฎกนะ อ่านดูในพระธรรมพัท ธ, ธ, ธาคฐานเศรษฐีตายแล้วไม่มีญาติรวยมาเจดชาตินะ <c oughs> มีนะตอนนี้ไปหลวงพ่อพูดยาวเวลาก็เสียมาแล้วก็เลยให้มันเสียไปอีกต่อให้ไม่ยาวๆสักหน่อยก็ดีเหมือนกันนะวันนี้วะ <c oughs> ผมไม่ได้เสียเลยนี่วะเอาลตอนนี้ไปรับพรในติน้านะ